หมอท็อปมากับใครบ้างนะแม่อยู่ไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแม่หมอท็อปเนี่ยเขาเป็นสาาชาติกับหลวงพ่อนะเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันงั้นหมอท็อปเนี่ยมันรุ่นลูกแล้วเอาแม่มาส่งกันบ้านปะ ไม่ยอมส่งหรอแม่พอหนาไหมทำบ่อยๆเนาะดูใจเราใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้สึกไหมเวลานึกถึงหมอท็อปนะน่ารักไม่เท่ากันแต่ละวันบา <c oughs> งวันน่าตีนี่เราคอยดูใจของเรานะพอใจเราคิดเรื่องนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้คิดเรื่องนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะ หรือมองเห็นอันนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้นเวลาตาเรามองเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนเราคอยรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิน่นอย่างได้กลิ่นหอมเนี่ยใจมันพอใจรู้ทันว่าพอใจได้กลิ่นเน่าแล้วก็ใจมันกังวลว่าตัวอะไรมาตายในบ้านรู้ว่ากังวลเนีน่ยตามองเห็นเห็นคนนี้ดีใจเห็นคนนี้ไม่ชอบเนี่ยให้รู้ทันที่ใจเรา ตาหูจมูกลิ้นกายใจใจคิดคิดเรื่องนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์เนะี่ยงั้นให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานะความรู้สึกมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันไปเรื่อยเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายนะัไม่คงที่แต่เดิมไม่โกรธพอเห็นหน้าคนนี้แล้วโกรธเลยแต่เดิมไม่ได้รัก พอเห็นหน้าคนนี้แล้วเกิดรู้สึกรักอะไรเงี้ยคอยรู้ทันใจเราบ่อยๆจะเห็นเลยว่าของไม่เที่ยงนะแล้วจะรู้เลยทุกอย่างต้องมีเหตุถึงี้ยเกิดอย่างเราจะโกรธใครสักอย่างได้นะต้องกระทบอารมณ์ก่อนกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะแล้วก็ไปตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจนะเช่นเรามองเห็นหน้าคนนี้ใจมันก็นึกได้ว่าคนนี้ศัตรูเรา ก็ไปคิดเลยเนี่ยเมื่อก่อนมันเร็วอย่างโ น, น้นเร็วอย่างนี้นะคิดอย่างนี้เรียกว่ามีพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดนะนั้นกระทั่งกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ได้เกิดลอยๆต้องมีเหตุถึงจะเกิดการที่สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทําให้มันเป็นอนัตตาไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากไม่ได้เป็นอย่างที่เราสั่งแต่เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้มันเป็นไปนตามเหตุ อย่างเราปลูกต้นมะม่วงไว้ต้นมะม่วงก็เป็นอนัตตาทำไมเราปลูกมะม่วงแต่เราเก็บมะม่วงไปขายได้ทำไมว่าเป็นอนัตตาหน้าที่เรานะก็ไปเตรียมดินขุดดินไว้นะใส่ปุ๋ยแนละ้วเอาต้นมะม่วงมาปลูกแล้วก็เอาไม้มาค้ารดน้าไปนะถึงเวลาก็ใส่ปุ๋ยมีมแมลงมากินแล้วก็เอายามาใส่อะไรเงี้ยเราทำได้แค่นี้ถึงเวลาแล้วมะม่วงออกลูกเองนะ าการที่ต้นมะม่วงออกลูกเนี่ยไม่ใช่เพราะเราทำนะต้นมะม่วงมันทำเองแต่เพียงแต่ว่าเราทำเหตุให้น้าให้ปุ๋ยให้อะไรเงี้ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราบังคับมันตรงๆไม่ได้เราทาเหตุได้เราสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลไม่ได้เหมือนเราสั่งต้นมะม่วงให้ออกลูกไม่ได้มันออกมันเองสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลไม่ได้แต่เราทำเหตุได้ เหตุก็คือศีลสมาธิปัญญาทําเหตุไปเรื่อยนะนั้นหน้าที่ของเราทําเหตุผลมีมาเองไปอยากได้ผลแต่ไม่ได้ทําเหตุมันก็ไม่มีไม่มีผลอยากให้ปลูกมะม่วงอยากได้ลูกมะม่วงนะจะไปปลูกแล้วไปปลูกต้นข้าวมันก็ไม่มีต้นมะม่วงเหตุกับผลนั้นต้องตรงกันงั้นอยากได้มรรคได้ผลน ะ, จะเจริญไปศีลสมาธิปัญญา ถ้าอยากแค่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวทำความสงบเฉยๆ ก, ก็มีความสุขได้นะเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะนนผลมาจากเหตุไม่ใช่มาจากเราสั่งนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุเองแต่อยู่ๆจิตบรรลุเองไม่ไดนะ้เราต้องให้การศึกษากับจิตจิตเหมือนเด็กเราสั่งเด็กให้ฉลาดไม่ได้เด็กมันต้องฉลาดเองนะมีความรอบรู้ แต่เราให้การศึกษากระเดกได้เราให้การศึกษากระจิตศึกษาในสามเรื่องชื่อศีลละศิขขาศึกษาเรื่องศีลจิตศิกขาศึกษาเรื่องของจิตนะปัญญาศิขขาศึกษาให้เห็นความจริงของขัน5้าของรูปธรรมนามธรรมนี่พอจบการศึกษาจิตได้ศึกษาสามเรื่องนี้จบหลักสูตรแล้วจิตบรรลุมรกผลเองนะได้ปริญญาเอง งั้นเราอยู่ๆเราจะไปรับปริญญาไปได้ปริญญาแทนลูกอะไรนั้นทำไม่ได้ให้การศึกษาได้งั้นให้การศึกษากับจิตไปถ้าจิตมีความรู้เองเห็นไหมเราสั่งให้จิตมีความรู้ไม่ได้จิตมีความรู้เองเราทําได้แค่ให้การศึกษากับมันเหมือนอย่างลูกเนี่ยลูกไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราจะไปเก่งแทนลูกไม่ได้ลูกต้องเก่งเองแต่เราให้การศึกษากาับลูกได้ลูกไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตานะไม่ใช่เราเ จิตนี้ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่ให้การศึกษาได้อย่าทิ้งนะบทเรียนสามบทต้องมีครบบางคนมีศีลอย่างเดียวนะสมาธิไม่ทำสมัยก่อนมีเยอะเลยค่อยฝึกนะฝึกไปด้วยไม่มีของฟรีทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงทั้งสิ้นเลยนะเรียนไปสมัยโน้นคนไปวัดไปถือศีลแค่นั้นเอง ตกกลางคืนนะพวกผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนมากยายแก่นั่งตะบันหมากกันใครรู้จักตะบันบ้างเดี๋ยวนี้รู้จักตะบันแบบนี้ <c oughs> นั่งตะบันอย่างเงี้ยทาด้วยทองเหลืองตะบันนั่นแหละนั่งตะบั น, น, นหนนมากเคี้ยวหมากกินหมากบ้วนน้าหมากคุยกันทั้งคืนเลยเชา้าได้บุญแล้วกลับบ้านเขามีศีล น, น ะ, ะเดี๋ยวนี้ศีลยังไม่มีอย่าไปหัวเ่าะเขาเลย นะบางที่นะก็ถือศีลแล้วก็นั่งสมาธิด้วยนี่ดีขึ้นไปอีกนะนี่ก็สูงขึ้นไปอีกนะมีศีลมีสมาธิแล้วไปมีปัญญานะถ้ามีปัญญาอย่างเดียวนะไม่มีศีลไม่มีสมาธิรองรับมันจะเป็นปัญญามหาโจรนะเอาความรู้ความฉลาดไปเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนะถ้าไม่มีสมาธินะก็ฟุ้งซ่าน ถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะก็ไม่เหลือรากฐานอะไรเลยสมาธิก็จะเสื่อมปัญญาก็ไม่มีกลายเป็นปัญญามหาโจรไม่ใช่ปัญญาถอนกิเลสแล้วศีล ส, สมาธิปัญญามันเลยเหมือนก้อนเศร้าใครรู้จักเศร้าบ้างนะยุคนี้ต้องถามแนละ้วเพราะว่าสับโ บ, ร, บราณเด็กไม่รู้จักนะสมัยก่อนหุงข้าวนะไม่มีเตาเอ็นี้บางทีใช้หินมาสามก้อนนะวาง สามก้อนใสฟืนเข้าไปข้างล่างเอาหม้อข้าววางข้างบนนะเอาออกก้อนเดียวหม้อข้าวตกแตกแล้วสีนสมาธิปัญญาเหมือนกันนะทิ้งอันใดนหนึ่งไม่ได้นะเราอย่าทิ้งนะจําเป็นมากเลยถ้าอยากได้มากผลนิพพานจําเป็นมากเลยนะถ้าอยากมีความสุขในชีวิตนี้ต้องมีสีนอยากมีความสุขมากขึ้นต้องมีสมาธิอยากเข้าถึงความสุขนิรันดรนะ ต้องมีปัญญานะเป็นชั้นชั้นขึ้นไปนะเชิญส่งกันบ้านคนอยู่วัดเอาก่อน เ, ออเมื่อวานนี้ช่วงที่ปฏิบัติก็มีตั้งใจมีจงใจแล้วก็มีสลับขี้เกียจบ้างอพอช่วงเช้าก็พอเจอภาษาจริงๆก็แวบแรกมันจะมีความกลัวก่อนครับกลัวแล้วก็ไม่อยากรู้สึกภาษาอะไรน่ากลัวในวัดมีด้ว เจอตุ๊กแกเหรอครับในวันไม่เห็นจะมีอะไรมีแต่ตุ๊กแกครับตอนกลางคืนก็มีเหมือนกันครับเมืเสียงตุ๊กแกก็จะก็จะกลัว<อ>มันก็จะระวังตัวเองใครกลัวคื อ, ค อ, คอมีมีความกลัวและเสียง<ซ>เหมือนกันเนี่ยนะการให้ฆ่าไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่างเราคนในเมืองได้ยินตุ๊กแกกลัวแล้วถ้าบางคนได้ยินตุ๊กแกน้ํำลายไหล <c oughs> ๆๆเลยเออไม่เหมือนกันนะอครับนี่เรากลัวเรารู้ว่ากลัวไป <c oughs> ครับ แล้วก็มีความไม่อยากอยากจะหายจากรู้สึกตรงนี้ค่ะให้รู้นพอรู้ตัวแล้วก็คลายลงเออมันไม่เป็นกลางนะครับกราบนะครับในมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อเช้านี้นั่งลองเมื่อคืนนี้เดินใช้วิธีเดินจงกรมเอาค่ะอืก็ก็มีความรู้สึกตัวพอสมควรแล้วตอนเช้านั่งสมาธิรู้สึกจิตมันตั้งมั่นค่ะจิตมันมีผู้รู้แต่พอตอนจิตมันมีผู้รู้อยู่ขณะหนึ่งค่ะใน ในขณะที่นั่งนะคะทีนี้มันก็มีความคิดนะคะมีอารมณ์คิดขึ้นมาปับ๊บจิตไม่พอใจเลย <c oughs> อยีกครั้งรู้สึกว่าเหมือนกับก็แสดงว่าจิตเราไม่เป็นกลางนะครัะแล้วก็งงจะขอรู้ลงปัจจุบันไปทุกอย่างสอนธรรมะเราทั้งนั้น <c oughs> ทุกอย่างสอนธรรมะเราก็คือทุกอย่างเกิดแล้วดับให้ดูได้ทั้งสิ้นธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะแค่ใส่ใจที่จะรู้เท่านั้น ไม่ยากที่จะรู้หรอกแต่เราไม่สนใจจะรู้มากกว่าเรียนธรรมะเรียนอยู่ในกายในใจกายกับใจเรามีมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่สนใจเองนะงั้วเราค่อยสนใจความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ไปด้วยความรู้สึกนั้นก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการกระทบอารมณ์แล้วก็ตามการให้ค่าอย่างหูได้ยินเสียงตุ๊กแก่ความรู้สึกเปลี่ยนอาจจะอยากกินหรือบางคนอยากจับไปขายเมืองจีนนี่คิดถึงเงินใช่ไหม มันคนกลัวถูกหลอกมาตั้งแต่เล็กเลยว่าตุกแกจะกินตับตุกแกไม่กินตับคนคนกินตับตุกแกมาเยอะแล้วนะไม่ทราบหนูมีอะไรที่ไปดูลงปัจจุบันไปอดทนนะอดทนต่อความเร่าร้อนใจที่จะให้มันเร็วๆนะมีอยู่มีมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่แบบปฏิบัติแล้วมันก็พัฒนาพอบางครั้งนี่มันเหมือนกับมันไม่มี ความตั้งมั่นหรอไงครับก็ทํททาที่ที่จะทําต่อเนื่อง<อ>ให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจไม่ตั้งมั่นนะแล้วก็พุโทโธไปพุโทโธไปด้วยใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้อย่างเนี้มันจะตั้งค่ะค่ะขอบคุณค่ะกลับมาสักการหลวงพ่อ ค, ครับเมื <c oughs> ่อวานนี้ฝึกทั้งวันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่เป็นกลางมันยิ่งดูก็ยิ่งถลําแล้วก็ยิ่งแน่นครับเอ ก็มาดีขึ้นเมื่อตอนเย็นๆครับแล้วก็มืเช้านี้ก็ค่อยเป็นกลางขึ้นครับครับผมถลำรู้ว่าถลำก็ดีแล้วแน่นรู้ว่าแน่นแน่นแล้วอยากหายรู้ว่าอยากหายแค่นี้ก็ดีแล้วนะรเราภาวนาเราไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาส ง, งบแต่ภาวนาให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ต้องการตรงนี้ต่างหากนะ เพราะฉะนั้นฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับสงบเกิดขึ้นเนี่ยถ้าในขั้นของการเดินวิปนะัสสนาเท่าเทียมกันนะกุศลกับอกุศลเกิดขึ้นนะในขั้นของวิปัสสนานะี่ยเท่าเทียมกันคือทุกอย่างเกิดระดับเท่าเทกันสอนธรรมะเรื่องเดียวกันด้วยนะกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยสอนธรรมะอย่างเดียวกับเรื่องกุศลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะคือทุกอย่างเกิดระดับภาวนาเพื่อตรงนี้ต่างหากนะ เป็นใจยอมรับความจริงและสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเราจะได้ธรรมะขั้นต้นนะเป็นพระโสดาบันนั่นเราไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาสงบเอาดีความสุขไม่เที่ยงเราราวนาเอาสุขนะมันก็ไม่มีวันครอบครองความสุขได้ตลอดไปความสงบก็ไม่เที่ยงเราไปทําความสงบขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวความสงบก็เสียไปนะความดีก็ไม่เที่ยงนะอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ชั่วขึ้นมาได้อีกนะ ้เราเอ า, าภาวนาเอาความจริงให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะทุกอย่างไม่ใช่เราเอาตรงนี้นะเราจะพ้นจากปัญหาเรื่องเจริญและเสื่อมครับเพราะอะไรเพราะเจริญกับเสื่อมก็เท่าเทีเทยมกันอีกคนี่แต่ไม่ใช่คิดเอานะต้องาภาวนานะถ้ า, า, นะ า, าเจริญกับเสื่อมก็เท่ากันนั่นอนสิจะไปภาวนาทำไมให้เมื่อยถ้าเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมไอ้นี่นคิดนําไม่ได้นะต้องาภาวนาต้องอดนทนทําแล้วทําอีกจิตก็เจริญขึ้นเจริญขึ้น จเจริญนทะทั้งๆที่เราก็ยังพาวนาเหมือนเดิมแหละ ว, วันดีคืนดีหรือวันเลวคืนเลวเสื่อมให้ดูเลยนะสติสมาธิปัญญาหายไปหมดแล้วไม่มีเหลือไม่มีเหลือทําไงตกใจยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมนะก็รู้ทันว่ามันเสื่อมรู้ทันว่าจิตไม่ชอบรู้ทันว่าจิตอยากให้ดีพอรู้ทันปั๊บมันจเจริญขึ้นมาอีกล่ะสติสมาธิปัญญากลับขึ้นมาอีกเราก็จะภาวนาไปแล้วก็เสื่อมอีกนะนี่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะอาจารย์สิงห์ทองท่านบอกว่า ธรรมชาติของจิตนะเจริญแล้วเสื่อมไม่ใช่เจริญอันเดียวแต่ว่าเราภอนาเห็นนะเจริญก็ไม่เที่ยงเสื่อมก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้นะดีกว่าต่อไปเราจะได้เจอของที่เที่ยงคือของที่มันพ้นจากความเป็นคู่คูคคของที่ยังอยู่กับความเป็นคู่คู่ล้วนแต่ไม่เที่ยงนะสุขก็คู่กับทุกข์ใช่ไหมดีก็คู่กับชั่วฟุ้งซ่านก็คู่กับสงบเนี่ยของเจริญก็คู่กับเสื่อมเกิดคู่กับตายนี่ของไม่เที่ยง ภาวนาไปถึงว่าหนึ่งจิตเป็นกลางนลหลุดจากสิ่งที่เป็นคู่คู่นะคราวนี้เจอธรรมะที่เที่ยงธรรมะที่มีความสุขนะแต่ธรรมะนี้ไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตากลับนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นธรรมแต่ว่าค่อยยังชั่วลงแล้วค่ะออก็อยู่วัดมาสองวันก็ ปฏิบัติโดยการเดินจงกรมค่ะเพราะว่าถ้านั่งสมาธิเราจะหลักบค่ะตอนเดินจงกรมก็สงบบ้างบางทีก็รู้สึกเท้าถึงเท้าอะค่ะบางครั้งก็รู้สึกถึงลมหายใจเพราะว่าจริงๆ ร, รู้สึกว่าเราชอบที่จะรู้สึกที่ลมหายใจรู้ไหมใจชอบรู้รค่ะถ้ารู้ว่าใจชอบใช้ได้ ร, รู้ไหมบางทีจิตก็ไหลไปที่เท้ารู้ไหมบางทีจิตไหลไปอยู่ที่ลมใช้ได้นะไปทําต่อไปอ อย่างที่หนหายใจเป็นการตั้งผู้รู้หรือเปล่าที่ที่หนูฝึกหายใจซิหายใจให้ดูใจมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วใจไม่ไหลไปนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจเป็นคนดูสบายๆถ้าใจไหลไปก็ไม่ใช่ผู้รู้หรอกเป็นผู้หลงเนี่ยตอนนี้เป็นผู้หลงหนูบอกไหมหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปรู้ลมหายใจลองรู้ลมหายใจใหม่ สังเกตไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมเออให้รู้ทันนะมาวัดแล้วมาเรียนตัวนี้ได้ก็บุญแล้วล่ะจิตมันถึงจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ได้ไม่งั้นมันจะไหลไปรวมกับลมที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้ามาทันใช่ไหมที่สมาธิสองอันอันนึงจิตไหลไปอยู่กับลมนะอันนี้สงบเฉยเฉยสงบโง่อีกอันหนึ่งสงบฉลาดจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้จิตไม่ไหลเข้าไปเนี่ยไหลอีกแล้วไหลอีกแล้ว ไปดูตัวนี้นะจงกระทั่งจิตมือนเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้ไหลเชิญยกมื อ, นนอเหนื่อยแล้ววันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งมาหลวงพ่อยังไม่ได้หยุดพูดเลยหยุดหยุดพูดนะแต่ไม่ได้หยุดขยับปากอยู่10นาทีคือเคี้ยวข้าวเหนื่อยอ่ะซิกนี้ซิกนี้นี่แบ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งทางนี้ไปเอาทางนี้ก่อนสามสบสาม เอ้าเชิญอเอาเอ า, เอาย่อๆอมาไปปัจจุบันผมอปฏิบัติรำมาสามปีเข้าปนี้เข้าปีที่สี่แล้วครับกับหลวงพ่อปัจจุบันเห็นว่ากิเลสแล้วก็สภาวะมันเกิดดับเห็นเร็วขึ้นครับออืแล้วก็มีความเป็นมีความทุกข์สั้นลงอะครับอืแต่ความทุกข์หรือปัญหาต่างๆมีมาตลอดเวลาครับแต่เห็นมันสั้นลงอืมันก็ทุกน้อยลงอะครับอืแต่เหมือนกับว่ามัน ทรงอยู่อย่างนี้มาประมาณอกเดือนแล้วครับเราฝึกไปเรื่อยนะจกนกระทั่งเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้เพราะนาเพื่อมาตรงนี้นะไม่ใช่พรอนาเพื่อเอาดีเอาวิเศษอะไรหรอกการที่เรามีสติบ่อยๆจะสังเกตไหมมีสติบ่อยเท่าไหร่ก็หลงบ่อยเท่านั้นนะห ล, ลงแล้วก็รู้สึกหลงแล้วรู้สึกใช่ไหมตัวหลงก็เป็นตัวแทนของอกุศลตัวรู้สึกเป็นตัวแทนของกุศลเกิดระดับเท่าๆกันดูไปทุกอย่างเกิดระดับ ทำไมเราต้องรู้สึกตัวถ้าทุกอย่างเกิดแล้วดับคนที่ไม่เคยฝึกเลยนะจะหลงตั้งแต่เกิดจนตายเลยหลงตั้งแต่เช้าจนตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายชีวิตมีอันเดียวคือชีวิตหลงยาวยางนี้เลยพอเรารู้สึกตัวนะชีวิตจะขาดเป็นท่อนๆแนะชีวิตตะกี้หลงตอนนี้รู้สึกเดี๋ยวหลงใหม่แล้วรู้สึกใหม่พอชีวิตขาดเป็นท่อนๆเ น, นี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตไม่ใช่เป็นอันเดียวต่อกันทั้งปี ไม่ใช่ต่อกันตั้งชาติแต่ว่าเกิดแล้วดับตลอดเวลานะต่อไปเราจะเห็นมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับรู้เกิดแล้วก็ดับหลงเกิดแล้วก็ดับเท่าๆกนะันนะในสุดจิตมีปัญญาขึ้นมาจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเ น, นี่ยพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้นะงั้นเราไม่ได้พาวนาว่าต้องมีอะไรแปลกๆอะไรหรอกอยู่กับปัจจจุบบััันนนนนไไไปปเเเห็แตต่่กิดดดดรอออยนะใช้้้งูมพ ก็คือปัจจุบันก็ดูดูดูต่อไปใช่ไหมครับใช่การภาวนาเนี้ยนะถ้ามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแล้วนะเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วสุดทางปฏิปัติเท่านี้ที่เหลือเขาเป็นเองแล้วนะจิตมันพอเมื่อไหร่มันก็สอบได้เองอะตอนนี้ยังไม่พ อ, อยังเรียนอยู่115บางคนมันท้อใจเร็วนะบน โอ้ภาวนามาตั้งสเดือนแล้วยังไม่บรรลุอีกท้อใจ <c oughs> ที่สะสมกิเลส น, นะสะสมมาตั้งกี่10ปีไม่ว่านะภาวนาสองเดือนสเดือนจะเอามากเอาผลนะมันไม่คุ้มกันหรอกนะอดทนนะเรียนหลักให้แม่นหลวงพ่อพยายามสอนทุ่มเทสอนหลักของให้พวกเรานะที่เหลือล้วพวกเราต้องอดทน ไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจโลกปัจจุบันไปเรื่อยนะอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปดูกายดูใจแสดงใจ ล, ลักษ์ไปอย่าดูแล้วก็นิ่งนดูกายแล้วก็นิ่งอยู่กับกายดูจิตแล้วก็นิ่งอยู่กับจิตไม่ได้เรื่องเลยได้แต่สมถะนะต้องดูกายเขาแสดงใจ ล, ลักษ์จิตก็แสดงใจ ล, ลักษ์อันั้นถึงจะเป็นการเดินปัญญาถ้าทําสมถะไปเป็นพฟมเป็นกับกับนานพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเก่าร้อยส กับน้ัมศการหลวงพ่อครับอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ครับก็ภาวานาปีปีกว่าเยอะๆเลยืดตัวหน่อยคุกเข่ายืดยืดตัวเล ย, ยเออเห็นหน้ากันแล้วคุยกันง่ายๆครับภาวานาปีเห็นในหมอท็อปหวัวมันโตบางหมดเอ อ, อก็ส่วนใหญ่ตามดูกายถ้าเบื่อเกิดมีดูจิตได้ดูจิตอันนี้ว่าอยากจะให้หลวงพ่อที่ว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรมีบกห้องอย่างไงบ้างครับ ดูของเรานะดูไปเรื่อยรู้ทันกิเลสไหมกิเลสเกิดพอรู้ทันสภาวะไหมนะอันแรกรู้ทันสภาวะไหมถ้ารู้ทันสภาวะแล้วเป็นกลางกับสภาวะไหมสำรวจใจเราไปเรื่อยนะช่วยตัวเองให้เยอะเลยอะไรอะไรก็สู้โยนิโสมนสิการไม่ได้แยบคายในการสังเกตตัวเองนะว่าที่เราเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่ในทางสายกลางจริงไหมหรือว่าย่อนไปหรือว่าตึงไปนะสังเกตเอาอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดแล้วทราบไหม พอดีไม่ไม่ไม่ไม่ทันอะไม่ต้องทันนะพอหลวงพ่อบอกเรานึกออกไหมอย่างตอนเนี้ชิดเปกแล้วรู้สึกไหมอ๋อพอพอรู้ครับพอรู้ครับนะ่นเราก็ฝึกอย่างเนี้ยจิตมันหลงไปเรารู้สึกหลงไปแล้วก็รู้นะไม่บังคับมันนะไม่ใช่ว่าต้องรู้ตลอดเวลานะรู้ตลอดเวลาเป็นผลปลอยได้ครับภาวนาเต็มที่แล้วมันรู้ตลอดเลยหลับอยู่ก็รู้นะตื่นอยู่ก็รู้อย่างตอนนี้ใจไหลอีกแล้วทราบไหมพอพอทราบครับพอทราบนั่นก็แค่รู้นะ ถ้าดูจิตวันไหนดูจิตได้ก็ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายไปยักหน้าของคุณดูกายได้ชัดดีด้วยซ้ำไปนะแต่ดูต่อไปกายก็ไม่ใช่เราเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็ไม่ใช่เรานะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตก็ไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะดูอย่างนี้เรื่อยไปมีแต่ของไม่เที่ยงนะเมื่อ37ที่คุณฝึกอยู่ดีแล้วนะ ที่ใส่แว่นตานี้นะฝึกอยู่น่าดีแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงอยู่ต้องอย่างนี้แหละนะอดทนเอาไม่ใช่หลวงพ่อไม่เคยท้อนะสารภาพตามตรงเลยเคยท้อเหมือนกันบวชนะจนถึงพรรษาที่สาะกลางพรรษาที่สามนะ า, นาท้อนะใจโอ้เราไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยหรอชาตินี้ไม่มีวาสนาเลยท้อนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยท้อ แต่ท้อก็ไม่เลืิกปฏิบัตินะก็สู้เอาเอ้าวเชิญนมัส ก, การครับหลวงพ่อคือสงการบ้านได้รอบ3ามเดือนครับก็ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาไปปฏิบัติเนี่ยรู้สึกปกติตัวเองเห็นความคิดของตัวเองค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ก็เข้าไปแทรกแซงมันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเห็นความอยากตัวเองที่ไม่อยากไม่อยากจะคิดเยอะครับแล้วมันก็หายไปแล้วก็มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ จิตมันมีหน้าที่คิดนะรเราไม่ได้ฝึกให้มันคิดไม่เป็นเราก็ดูไปจิตมันก็คิดของมันได้เองดูออกไหมมันคิดได้เองเนี่ดูลงเป็นใจรักเรื่อยไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูลงเป็นไตรลักษณ์เลยกระทั่งจิตคิดถ้าเราทําสมาธิแล้วจิตคิดมากนะเราก็ว่าฟุงงซ่านไม่ดีถ้าเราทํำวิปัสสนานะจิตคิดเราเห็นเลยเออแกคิดได้เองนะดูอย่างนี้เลยมันเสร็จท่าเสียท่าเราเลยนะเสร็จเราเลยมันแสดงไจรักแล้ว เวลาที่จะปฏิบัติมันเหมือนกับไปประคองแล้วก็เหมือนไปดักดูดักรู้ให้รู้รทันว่าประคองให้รู้ว่าดักทําไมประคองทําไมว่าดักเพราะว่าโลภใชอยากดูอยากปฏิบัติความโลภมันเกิดนะก็เกิดการดักการประคองให้รู้ทันไปต่อไปมันก็ไม่ดักไม่ประคองออต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไม่แก่คําว่าแก้ไม่มีในวิปัสสนามีแต่รู้อย่างที่มันกําลังเป็นอยู่แล้วมันจะสอนไตรลักษ์เรานะ ถ้ามันไม่ยอมสอนใจรักไปรู้แล้วก็ซื่อซื่อซื่อบื้ออยู่เฉยเนะคิดพิจารณาว่าเป็นใจรักช่วยมันจิตเลยนะถ้าจิตมันชํานาญในการเจริญปัญญาแล้วมันไม่ต้องคิดนะมันจะดูเป็นไตรักษเองนะเบอรก้อาอ้าวป้จอยหรอกเหรอเวลายกมือเนี่ยดูแต่ป้ายไม่ได้ดูหน้าใครเป็นใครไม่รู้เลย รือหลงพ่อช่วงที่ผ่านมาค่ะก็รู้สึกว่ามันมีจุดอ่อนในการภาวนาคือว่ามันไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่ไม่เด็ดเดียวค่ะขณะนี้ช่วงนี้จะก็เลยทําให้มีวินัยมากขึ้นดีคือมันก็มีกําลังขึ้นแต่ว่ามันไม่ค่อยมีความรู้สึกมันไม่ค่อยมีความตั้งมั่นนะคะอให้รู้เอาสิไม่ตั้งมั่นนะแล้วายไปดูหมูกระดาษไวหมมันจะมีบ่อยๆไปดูบ่อยๆถ้าใจรู้ว่าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตจะตั้งมั่นของจิตเอง เบอร์ห้าสหนึ่งนวัสการเนาค่ะคือหลังจากที่สู้สู้มาพักหนึ่งก็สู้ๆอะไรสู้ๆกับความทุกข์นะคะอ๋อนี่อวันขนลุกสู้สู้ภานาบางคนก็บอกสู้สูขนลุกอะไม่ได้สู้อะไรอะคือคือต้องสู้ๆมามากเลยค่ะก็ได้เห็นช่วงนี้คือสติเกิดบ่อย แล้วก็เห็นเขาแสดงายรักให้ดูบ่อยแต่ว่ามีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะคือเกิดเวทนาแล้วก็ดูแบบแยกแยกดูแล้วก็ก็ไม่มีอะไรก็แยกแยกดูแต่ทีนี้ไปเห็นว่าเขาไม่เป็นกลางอพอดูว่าเขาไม่เป็นกลางเขาก็เกิดดับให้ดูอพอเกิดดับจากที่ไม่เป็นกลางก็กลายเป็นเป็นความสุข Hmm. แบบสุขมากมากสุขจนน้าตาไหลก็ hmm. แต่ก็ดูไป hmm. ว่าเขาเข า, เขาก็เกิดดับคราวนี้ก็จะเหลือแต่ความสุขที่ hmm. เกิดดับให้ดู hmm. พอนานๆเข้ามันกลายเป็นความทุกข์ที่ oh. มันมันก็เหมือนกับไม่เป็นกลางอีก <Yeah. S 2> พอเราก็ดูเข้าไปว่าไม่เป็นกลาง hmm. คราวนี้มันวูบสว่างแล้วก็ไม่เหลืออะไรให้ดูก็ งงมันเหลือแต่ลมหายใจแล้วก็ความคิดแต่ว่าณเวลา น, นั้นก็คือได้เห็นว่าทั้งเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์เขามีความทุกข์อยู่ในตัวเขาเองอโดยที่เราไปยึดเราถึงได้ทุกข์แต่ว่าไม่เข้าใจไว้ที่สว่างอันนั้ น, นคืออะไรเวลาจิตเกิดปัญญาแนละ้วจะสว่างนะพระเจ้าเคยบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี แล้วเกิดดับเขาก็หายไปก็เหลือแต่แค่ความคิดกับลมหายใจเสียดายด้านไปเกิดความคิดออคือแล้วช่วงนี้ที่แบบไม่ทราบจะดูอะไรก็ดูก็ลเลยดูดแค่ลมหายใจไปนะนะก็เห็นร่างกายหายใจไปนะแล้วความรู้สึกอะไรเกิดเขารู้ไปนะดูแค่นั้นนะคะก็รู้กายรู้ใจก็มีเท่านั้นแล้วดูไปนะ ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนยังมีอีกไหมยังมีอยู่เปบาๆอ น, าน่าดีที่เห็นถึงบอกไงว่าเสียดายไม่น่าไปคิดเลยยังมีเราอยู่เป็นบางครั้งบางครั้งนะไปดูต่อนะ <c oughs> ถึงวันหนึ่งมันจะไม่มีเรา <c oughs> มันสว่างขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่มีคําพูดนะสว่างขึ้นมาแล้วยังมีคําพูดอยู่ยังไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ยังงงยังงงตอนที่ว่าเรายังงงอ่ะมันมีเราพุดขึ้นจริงๆริงเนี้ยดูอย่างเนี้ยคต่อไปมันจะไม่มีเรามันจะมีเราด้วยคําพูดเท่านั้นโดยโวหารแต่ความรู้สึกว่ามีเราเนี่ยจะไม่มีขึ้นมาไปดูต่อตอนนี้เริ่มเห็นแล้วทุกอย่างเกิดระดับหมดเลยเห็นไหมโลกกาะแนี้ดับได้ด้วยนะคเห็นไหมตอนนั้นโลกดับไหมยังมีโลกไหมไม่มีอะไรเลยมีแค่ความสว่างแล้วก็อ คือแทนที่จะมีความสว่างกับธาตุรู้กับไปมีสว่างแล้วมีคิดไงอ๋อออ๋เลยเนาะค่ะเป็นการสอนเขานะคะสอนเพราะเขายังไม่รู้เอตอนนี้คงรู้แล้วค่ะอจะได้จัไว้เอ้าเบอร์1้อยห้าสิบเก้านมัสการหลวงพ่อค่ะหนตั้งใจมากาบหลวงพ่อมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะพอดีมีโอกาสได้มาอบรมที่กรุงเทพก็เลยตั้งใจมา ที่ชายภูมิไปหาหลวงพ่อคําเขียนเนาะไปค่ะแต่พวกช่วงช่วงนี้มาที่นี่อยู่ใกล้ๆที่กรุงเทพก็เลยถือโอกาสมาออยู่ไกลหลวงพ่อบางครั้งก็เหมือนกระโดนกิเลสมันลากอะค่ะหลวงพ่อกิเลสลากเองมาโทษว่าอยู่ไกลหลวงพ่อคนอยู่ใกล้หลวงพ่อกิเลสลากไปก็ตั้งเยอะแยะเหมือนมันไม่มีแรงไม่มีความตั้งใจแต่ว่าก็เห็นมันค่ะเราต้องเด็ดเดี่ยวนะ ตั้ง ใ, ใจเลยทุกวันตื่นขึ้นมาเลยตั้งใจเลยว่าชีวิตนี้เป็นของสั้นนิดเดียวนะเราจะต้องภาวนาเอาของดีใส่ตัวให้ได้ก่อนนอนก็นึกทุกวันนะชีวิตนี้เป็นของสั้นนิดเดียวเราต้องสร้างคุณงามความดีให้ตัวเองให้ได้ตั้งใจอย่างนี้นะ่าจะได้ไม่ย่อหย่อนหลวงพ่อคะเมื่อวานขณะที่นั่งอบรมอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่แล้วเห็นความง่วงมันอยู่ข้างนอกอพอรู้สึกว่า มันคือความง่วงที่มันจะเข้ามามันมันก็เข้ามาไม่ได้มันก็รู้สึกตัวต่อขึ้นอตื่นขึ้นมาแล้วสักพักมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเคยให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วทีนี้ในขณะที่นั่งอยู่บางครั้งไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดเอาหรือว่าหรือว่าเห็นหรือหรือว่ายังไงก็คือจะมองดูแล้วเหมือนเหมือนเห็นว่าทุกคนที่นั่งอยู่อะค่ะเป็นโครงกระดูกที่นั่งอยู่กันอก็แค่รู้นะค่ะก็เห็นเขาเป็นโครงกระดูกเราก็กระดูกนะ ดูไปอย่างนั้นแหละแล้วทุกอย่างมันเสมอกันหมุนเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุโลกนี้มีแต่ก้อนธาตุนะเสีจใจเนี่ยไม่ฉลาดเข้าไปหลงไปยึดถือนะแล้วก็มาสอนใจต่อมาดูที่ใจใจเดียวก็วิ่งไปยึดอารมณ์โน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปยึดอารมณ์นี้แล้วที่หนูปฏิบัติอยู่ต้องปรับปรุงตรงไหนไหมคะหลวงพ่อไปทําให้สม่ําเสมอนะอย่าท้อแท้ใจอดทนก็190บ การนมัสการหลวงพ่อค่ะก็พอดีเมื่อก่อนนี้ปฏิบัติอยู่นะคะปฏิบัติอยู่แล้วพอมาได้ฟังได้รับซีดีของหลวงพ่อจากงานศพนะคะได้รับไปฟังแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาคือติดเพลงหมดเลยอะค่ะโอ้ดีที่เห็นนะตอนนี้ก็คือแบบพอพอนั่งปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ได้เลยค่ะฟุ้งซ่านแล้วก็เพลงด้วยก็เลยพอตั้งแต่ที่ฟังของซีดีของหลวงพ่อมา ก็เลยตั้งจิตว่าอยากให้หลวงพ่อสอนนะคะว่าเนี่ยจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติที่หลวงพ่อสอนไม่มีอะไรมากสอนให้รู้สึกตัวนะ <c oughs> แล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานอย่างน้ําตาจะหา <me an> หไ ห, หล เ, เห็นไหมมันก็ไหลออกมาเองนะเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าร่างกายที่พยักหน้านะเหมือนเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระตุกกระดิกไปงั้นนใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูนะแล้วก็ดูใจอยตอนนี้หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหม ใจไหลไปคิดก็รู้ทันใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายคอยรู้เรื่อยๆนะกรรมฐานไม่มีอะไรหรอกก็รู้สึกกายรู้สึกใจเอาแต่ถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามานะแบ่งเวลาไว้ทุกวันทํากรรมฐานทําความสงบพนะอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วไม่อยู่นานเสียเวลาออกมาดูกายทํางานออกมาดูใจทํางานวนเวียนเหวี่ยงนี้แหลนะคดูไปจนดูไม่รู้เรื่องก็มาทําความสงบ บางครั้งจะดูไม่ค่อยรู้เรื่อง อ, อไม่รู้เรื่องนะกลับกลับมา <c oughs> พุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรพุโทโธเล่นเล่นรู้ลมหายใจเล่นเล่นไปเล่นเล่นนะทําไปด้วยความสบายใจไม่นานใจจะสงบนะสงบเองเลยถ้าเราจงใจจะให้สงบมันจะไม่สงบอ <c oughs> เราไม่ทิ้งนะระหว่างการทําสมถะการเจริญปัญญาค่ะ <c oughs> เบอร์เกสบห กลับ น, นมัสกาลหลวงพ่อค่ ะ, ะปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เห็นการรู้สึกไหมใจมันชอบโอดครวนไหมรู้สึกค่ะออรู้ทันมันเห็นไหมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปแค่จะเล่าให้หลวงพ่อฟังมันยังทำครวนนิดหน่อยเนี่ย <c oughs> รู้ทันมันอย่างนี้นะรู้มันสดสดร้อนๆเลยเ้าว่าไปค่ะคือก็เห็นการเกิดดับมานะคะเพียง <c oughs> แต่ว่า มันติดอยู่ตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วค่ะไม่ทราบว่าเกิดดับเนี่ยเขาดูกันทั้งชาติหนูเพราะว่ามันจะมีอยู่ตลอดชีวิตเลยเกิดดับเนี่ยนะแต่สภาวะเกิดดับเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ไม่เห็นของเราเนี่ยตามรู้ตามเห็นเห็นแต่ความเกิดดับรู้ว่าไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวร น, นะรู้ไปเรื่อยจนวันหนึ่งล้างกิเลสหมดเลยไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเพราะมีแต่ของเกิดดับ พอไม่ยึดอะไรในโลกแล้วถามว่าเห็นเกิดดับไหมเห็นเกิดดับนะเห็นทั้งโลกนี้แหละก็มีแต่เรื่องเกิดดับในรูปธรรมนามธรรมก็มีแต่เกิดดับแต่ใจนี่ไม่ยุ่งกับมันนะใจเป็นอิสระต่อความเกิดดับนี้นะก็พทุกพลไปแหละเพราะเราเห็นเกิดดับตลอดไปไม่ใช่เห็นเนี่ยหนูเห็นเกิดดับมาปีหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกไม่เลิกหรอกแต่ว่าความเข้าใจหากที่จะเพิ่มขึ้นรู้สึกไหมมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วไปเนี่ย ใจมันจะค่อยเห็นมากขึ้นมากขึ้นคือเห็นตามลําดับอะคะ่ะแต่ว่าคือไม่แน่ใจว่ายังเดินทางที่ถูกหรือเปล่าถูก<ะ>ถูกแต่ให้รู้ทันใจที่อยากนะมันมีใจที่อยากซ่อนเร้นอยู่รู้สึกเปล่ามันทานาำ ม, มาันดูดูเนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้ดที่ดีอะไรเงี้ยนะก็เป็นระยะระะ น, ะนะให้รู้ทันใจที่อยากนะแล้วพอใจที่อยากดับไปแล้วก็มีสติ ต, ตามรู้เกิดดับไปเรื่อยๆรู้อย่างใจสบายสบาย เราตั้งใจไว้อย่างนี้นะว่าเราจะรู้ไปทั้งชาติเลยส่วนจะได้มากผลเมื่อไหร่เป็นเรื่องของจิตเรากําลังให้การเรียนรู้กับจิตอยู่ส่วนจิตจะสอบได้เมื่อไหร่เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราทําใจไว้แบบนี้นะเราจะง่ายแต่ถ้าทุกวันเราคอยคิดเรื่อยเลยทยํายังไงจะดีกว่านี้ทํายังไงจะถูกกว่านี้ทํางไงจะได้เร็วกว่านี้นะใจมันจะคิดแต่คำว่าทำให้คอยรู้เอาไม่ได้ทําอะไรรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะเบอ92 นมัสการหลวงพ่อค่ะหรู้ฟังซีดีหลวงพ่อมาสองปีกว่าเป็นคนขี้โมโหใจร้อนก็ดูเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็เมื่อก่อนจะติดเพลงมากตอนนี้ลดลงมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังนิยมไปดักดูไปจ้องดูอยู่เป็นประจำเก่งที่รู้งแมไปดักดูทุกครั้งเลยใช่เจ้าค่ะขณดนั่งฟังอยู่นี่ก็ยังมีเกรงเป็นมีจ้องอยู่เป็นพักๆภานาใช้ได้แล้วล่ะไปทําต่อนะตั้งใจไว้อย่างเงี้ยว่าเราจะปฏิบัติทั้งชาติ เอาง่ายๆเลยน ะ, ะได้ผลเมื่อไร่ก็เรื่องของเขาต่อไปเบอร์อะไรล่ะร5อยห้ า, า, า, าสิบสี่ค่ะการนมัสการหลวงพ่อนะคะวันนี้เป็นวันที่สองที่ได้มานะคะเมะื่อวานเป็นวันแรกแล้วก็ไม่เคยได้ปฏิบัติจริงจังแค่แค่ฟังคือเคยฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือแค่เล็กน้อยอะคะ่ะแต่ว่าคือลองคงใช้คำว่าได้แค่ลองอะคะ่ะ แล้วก็แต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูรู้สึกเนี่ยคือพอลองแล้วเนี่ยพอตามความรู้สึกหรือว่าตามจิตอะคะไม่รู้ว่ารู้สึกถูกหรือเปล่าความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วโกรธก็เป็นใช่ไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภเป็นไหมเป็นใจลอยเป็นไหมเป็นค่ะหดหู่เป็นไหมเป็นค่ะเนี่ยอิดช้าไหมเคยอิดช้าไหมเคยค่ะเออนะเคยกลัวไหม ะนะไม่ว่าอะไรก็รู้จักหมดแล้วละ่ะเพราะงั้นง่ายๆนะต่อไปเนี้ยขนาดเนี้ยความรู้สึกอะไรกําลังมีอยู่ก็แค่รู้ความรู้สึกที่กําลังมีอยู่นั่นแหละนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆไม่ได้รู้ไปเพื่ออะไรนะแต่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งเห็นเลยความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดเนี้ยนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ยากหรอกค่ะขอบคุณค่ะดีที่บอกว่าจะมาลองดู ว่ธาธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดเป็นธรรมะที่ท้าให้พิสูจน์นะไม่ได้ชวนให้เชื่อแต่ชวนให้ลองพิสูจน์ดูหลวงพ่อท้านะกล้ารับคำท้ามไหมค่ะขอบคุณมากค่ะเก้าสิบกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะ อยากจะขอความเมตตาให้หลวงพ่อดังๆเราแก่แล้วหูตึงอยากจะขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยประเมินผลการปฏิบัติของหนูอะค่ะเอยต้องประเมินเองรู้ทันกิเลสบ่อยไหมก็รู้แล้วบางทีก็ไม่ไม่ทันค่ะแต่ว่าที่รู้ทันก็เยอะแล้วก็ใจมีความไม่พอใจเห็นค่ะเห็นกิเลสเยอะมากค่ะ นั่นแหละรู้ลงปัจจุบันไม่ใช่เพื่อให้ไม่มีกิเลสน ะ, ะแต่เพื่อให้เห็นว่ากิเลสก็อยู่ชั่วคราวกุศลก็อยู่ชั่วคราวสุขทุกข์อยู่ชั่วคราวภาวนาเพื่อมาให้เห็นตรงนี้ค่ะแต่บางทีใจก็เผลอหรือว่าไปอยู่คลุกเคล้ากับกิเลสนะคะหลวงพ่อถึงบางทีรู้แล้วอะแต่มันยังมันยังละไม่ได้อะค่ะหลวงไม่ได้ฝึกละนะ อย่างนี้มันยังย่งนี้เรามีสติไหมคะหลวงพ่อให้ให้รู้ทันตัวเองว่าจิตยังเกาะอยู่กับกิเลสเรียนรู้ความจริงของตัวเองแต่ยอมรับมันมันเป็นอย่างเนี้ยคนะดูไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งถึงจะเห็นความจริงว่าไม่มีเราหรอกบางทีก็เห็นว่าเออเราก็ไม่ดีเนาะเรานิสัยไม่ดีเราเห็นนะแต่มันก็ยังไม่ดีอยู่ค่ะหลวงพ่อมันไม่แบบเปลี่นใจร้อนมันใจร้อน ดูไปที่ที่หลวงพ่อถามว่าเห็นไหมมันมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นมีเยอะนั่นแหละค่ะให้ไปดูตัวนี้แหละตัวนี้แหละศัตรูและตัวร้ายเลยค่ะมีโทสะเยอะมากนั่นแหละไปดูตัวนี้นะค่ะแล้วจะเห็นเลยมันเกิดมาแล้วมันก็หายไปมันเกิดมาแล้วมันก็หายไปดูอย่างนี้เรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้หนูก้าวหน้าขึ้นไหมคะก้าวหน้าขึ้นจากคนไม่เคยรู้อะไรเลยก็เริ่มรู้กายรู้ใจตัวเองได้ค่ะตอนนี้รู้สึกไหมบางครั้งบางคราวร่างกายห่างๆออกไปแล้ว ะน ะ, ะบางครั้งความรู้สึกสุขทุกข์ก็เริ่มห่างๆออกไปเ น, <ะ S 1> นั่องในมันก้าวหน้าน ะ, ค, ะคนไม่ก้าวหน้ามันรวมเป็นก้อนเดียวกันเป็นตัวกูตัวกูอยู่นั้นะ แต่ว่าก็ยังเห็นว่าตัวเรามีเหนียวแน่นมากเลยค่ะะบางทีก็รู้สึกว่าเออเห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นอะไรแยกแยกไปรู้แต่ว่าพอมองมายังตัวเราก็ยังเป็นเต็มๆอยู่ค่ะนั่นแหละจิตจิตมันยังเป็นเราอยู่แล้วกิเลสมันก็ยังเยอะมากอยู่ไปดูใจที่ไม่ชอบนั่นแหละไปไม่ชอบกิเลสเนอะร้อยก้าเจ็ดขอกราบขอบพระคุณค่ะร้อยเจอยู่ไหนเอ่ยเออต้องอย่างนี้ได้เห็นหน้ากัน กลาวนมันสการสะค่ะหนูเป็นคนที่ชอบออสงสัยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ดูจิตไปเรื่อยๆทีนี้อยากดูรู้กายก็เลยไปลองลองดูแล้วก็ก็ดูไดร้ระดับหนึ่งทีนี้มาถึงนั้นตอนนี้นี่ก็คือว่าหนูอยากจะให้หลวงพ่ออธิบายว่าจิตถึงฐานเนี่ยคือคือหนูรู้ว่า หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะรู้เองได้เพราะว่ามีสิ่งเจือปนอยู่อยากจะรู้ว่าจะรู้จิตถึงฐานเนี่ยมีวิธีเรียนที่ง่ายที่สุดเลยนะรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตไหลไปก็ไหลออกจากฐานไปนั่นแหละอย่างมันไหลไปดูเคยเห็นไหมจิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดคตอนที่จิตวิ่งไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตวิ่งไปคิดนะขณะนั้นจะตื่นขึ้นมานะแล้วถึงฐานพอดีเป๊ะเลยค ต, ตอนนี้วิ่งไปคิดแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะ ต, ตอนนี้แต่ว่าทำไมไม่ตื่นใช่ค่ะแต่ยังคิดต่อเห็นไหมไม่ได้ดูว่า<ฮ>จิตไปคิดคเนี่ใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมค่ะอ ย, อย่างนี้มันแสดงว่ามันไม่จำเป็นต้องต้องถึงฐานตลอดเพราะว่าไม่ตลอดนะคนที่จิตถึงฐานตลอดมีอยู่พนพวกเดียวพระอนาคามีขึ้นไปสาธุจค่ะนะ ดีใจแล้วเนาะไม่ต้องถึงตลอดอ้าวขอบคุณค่ะนั้นแค่ว่าไหลแล้วรู้นะมันก็เนี่ยตอนนี้มันถึงฐานแต่ตอนนี้ไม่ถึงอีกแล้วเมื่อกี้แวบแต่เมื่กถึงรู้สึกไหมรู้สึกเป็นบล็อกแวบๆอะคะเออจะเป็นแวบๆนะเป็นขณะขณะอย่างนี้หนูเข้าเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะเข้าใจถูกแล้วขอบะคุณค่ะเก้าสากราบเรียนพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติมาได้8เดือนขอส่งการบ้านทั้งที่2ครับเอ่อ ช่วงนี้ปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นโทสะเกิดถี่ขึ้นแต่ว่าสั้นลงครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นจิตไม่ค่อยเป็นกลางนะฮะชอบถล่มนะฮะก็เลยหันมาภาวนาพุโทโธเล่นๆเล่ก็ภาวนาได้ไม่เกินนาทีก็จะเห็นจิตวบบิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมดีนะโยมครูบาอาจารย์สอนให้ทาอย่างนั้นนะโยมพุโทโธเล่นๆไป พุโทโธพุธโทโธไปแล้วจิตไหลไปแล้วรู้อันนั้นแหะดีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการเมืองร้อนแรงไปหน่อยก็เลยรู้สึกใจิตใจว้าวุ่นก็เลยตั้งใจว่าจะมานั่งทําสมถะอืมแต่พอนั่งได้แป๊บหนึ่งก็เห็นจิตเอหลงคิดวิ่งสลับไปสลับมาเกิดดับเกิดดับตลอดอืนั่งมาชั่วโมงเนี้ยก็ไม่ <c oughs> ก็ไม่สงบเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ก็เลยสรุปได้อย่างว่า <c oughs> จิตนี่มันเป็นอ น, นัตตาจริงๆใช่มันไม่เที่ยงใช่ แต่ถ้าถ้าโยมต้องการพักจริงๆนะมันมีเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่จะทําให้จิตสงบจิตต้องสบายถ้าจิตสบายจิตจะสงบนะจิตมีความสุขเมื่อไหร่จิตจะสงบเมื่อนั้นเพราะฉะั้นเราหาอารมณ์ที่จิตมีความสุขสมมติมันฟุ้งซ่านมากนะเอาไม่อยู่เนี่ยอย่างอาตมานะชอบอ่านพระสูตรอ่านพระสูตรแล้วจิตใจมีความสุขนะอ่านพระสูตรแล้วจิตสมาธิขึ้นเลยนะสงบได้พักผ่อนได้จิตสงบเลย หรือชอบหายใจรู้ลมหายใจแล้วก็มีความสุขพอ ร, รู้ลมหายใจจิตก็สงบแต่ถ้ายมไปนั่งแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่มันจะสงบหน้าพยายามบังคับให้สงบอันนี้จิตไม่มีความสุขจิตถูกบังคับจิตจะไม่สงบหรอกนะถ้าต้องการความสงบจริงๆก็ต้องรู้เคล็ดลับมันต้องมีความสุขที่ฝึกอยู่ดีนะจิตมันเดินปัญญาเข้มแข็งดีครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับอา้าวซีกนี้บ้าง คุณเสื้อสีส้มะที่นั่งใกล้ๆคนที่ส่งกันบ้านนะนะสังเกตไหมใจมันวิ่งไปวิ่งมาดูออกใช่ไหมเออเกงนะเห็นใจไหลแวบแบบรู้ทันแวบรู้ทันอย่างนี้ดีเนี่ยไหลแล้วรู้สึกไหมดีเอร์ดูออกไหมจิตมีความสุขดูออกไหมจํานวนมากเลยที่จิตมีความสุข ดูออกไห้จิตเริ่มนิ่งนิ่งเริ่มเป็นอุเบกขาเนี่ยคอยรู้นะไม่ได้เรื่องยากอะไรเอาเชิญพิธีการห<ม>ลวงพ่อค่ะยืดออยืดนยให้หลวงพ่อเห็นหน้าชัดๆัดโอเคครับช่วงก่อนหนูไปเข้าคอร์สปฏิบัติมานะคะก้างวันทีนี้ ในวันที่สามเนี่ยคือวันแรกๆก็ก็จะขี้เกียจนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจว่านานๆมาทีก็ต้องอย่างน้อยต้องชนะความขี้เกียจแต่จะได้อะไรหรือไม่ได้ไรหนูก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นอย่างน้อยก็ได้ชนะขี้เกียจก็ทีนี้วันที่สามระหว่างนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นก็นั่งไม่ได้นานนะคะแต่ว่าเห็นเหมือนเห็นตัวเองนั่งอยู่อะค่ะแล้วก็มีการสะประกโงกบ้างแล้วก็เหมือนกับพงกไปแล้วรู้ตัวก็ตั้งตรง อทีนี้ตอนนั้นตอนนั้นสงสัยอืว่าเห็นอะไรก็เลยลืมตาพอลืมตามันก็เหมือนกับมันกลับมาอยู่กับสภาวะแวดล้อมปกติได้ยินเสียงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลับสักพักหนึ่งมันก็กลับไปเป็นใหม่เออันนั้นตอนวันที่สามทีนี้พอข้ามมาวันที่วันที่หกก็เป็นตอนนั่งสมาธิเหมือนกันนะคะเอดูก็เห็นว่ากายกับจิตอ่ะมันมันแยกกันทํางานคือเห็นว่า แต่ตอนนั้นเห็นก็ยังก็งงๆว่าเอ๊ะแล้วตัวที่ตัวที่เราเห็นมันตัวอะไรคือมันนั่งสมาธิแล้วมันก็มีการง่วงบ้างรู้ตัวบ้างแต่ว่าก็เห็นจิตเลยค่ะว่ามันทํางานมันเหมือนมันแยกออกมาแต่ไม่ได้เห็นเป็นดวงแก้วดวงไฟอะไรนะคะออไม่เห็นเป็นดวงแก้วนั่ถูกแล้วนะถ้าเห็นเป็นดวงแก้วมันเป็นนิมิตมันไม่ใช่จิตค่ะก็ถูกแล้วล่ะไปฝึกต่อนะอ๋อค่ะแยกกายแยกจิตไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันเห็นร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอ เป็นสิ่งที่จิตมารู้เหมือนผีมาสิงอยู่ในร่างกายนี่เองแล้วจิตเองก็ไม่คงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เรียกคุ้มดีคุ้มร้ายดูไปเรื่อยๆนะคะ่ขออยนิดได้ไหมคะได้ อ, อมีอย่างบางครั้งก็คือว่าอย่างเวลาสวดมนต์เนี่ยก็ลองลองดูว่าตัวเองรู้ตัวไห ม, มก็ก็เห็นว่ารู้ว่าปากมันพ ง, งาบแต่ไม่รู้ว่าสวดคําว่าอะไร อ, อถูกต้อง ม, มันเรียกว่ารู้ไหมคะรู้เวลาที่จิตรู้อารมณ์นะ จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าจิตรู้ร่างกายที่กำลังสวดมนต์เห็นปากอยู่เนี่ยจะไม่คิดถึงคำสวดมนต์นะเพราะฉะนั้นจิตขณะที่คิดถึงคำสวดมนต์ก็จะไม่รู้ร่างกายค่ะขอบคุณมากหลวงพ่อเบอร์ร1อยสิบสามการธรรมศกาาหลวงพ่อค่ะช่วงที่ผ่านมาก็มีขี้เกียจไปบ้างแต่ก็ เหมือนได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าใช่หลวงพ่อไม่ชอบอยากขี้เกียจนะใช่หลวงพ่อต้องบอกอแน่นอนเลยค่ะทีนี้ก็มีคำถามจากการปฏิบัติะคะ่ะว่าพอเวลามันเหมือนกับเวลาที่เรารู้ความคิดคือเหมือน จ, จิตมันไหลไปคิดแล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะดีเลยไปนิดนึงคือมันไม่ได้รู้ณนะปัจจุบันที่คิดเลยใช่ถูกใช่ไหมคะ แล้วคือพอพราะบางทีเหมือนกับพอมันรู้ณปัจจุบันเลยมันเหมือนจะเหมือนเราไปจ่อไปไปจงใจใช่ไหมคะเออนั่นเท่งค่ะงั้นเราจะรู้ตามหลังนะแต่ตามแบบติดๆเลยค่ะมันเหมือนมันจะตามหลังไปนิดๆนิดๆอยู่ตลอดเวลาแต่มันเหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้มากอะค่ะคือมันไม่ได้เป็นลักษณะที่หลวงพ่อบอกว่าเออมันให้ให้ดูอยู่ห่างๆโอเคแค่นั้นก็ห่างละไม่ใช่อันเดียวกันนะแค่เห็นว่ามันไม่ใช่อันเดียวกัน ก้็ห่างแลเรียบร้อยแล้วแต่คือเหมือนพอบางทีพอเวลาเราไปเห็นมันก็จะมี เ, เหมือนซ้อนขึ้นมามคล้ายๆกับบางทีมันก็เป็นความคิดหรื อ, อเป็นสิ่งที่เราไปตัดสินตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็แค่รู้ว่ามันปลุงอันนั้นขึ้นมาค่ะสิ่งนั้นก็ของถูกรู้อีกเห็นไหมมันมีจิตเป็นคนไปรู้มันค่ะแล้วทีนี้คือพอเวลาที่ปฏิบัติแล้วยังเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอะคะ่ะมันเหมือนกับ มันก็เห็นไปเรื่อยๆคือมันนิ่งๆแต่มันก็ไม่ได้อึดอัดอย่างนั้นนี่ก็คือพอใช้ได้หรือเปล่าคะหรือว่ามันมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนมันเป็นอย่างที่มันเป็นนสิจะให้มันเป็นอย่างไหนล่ะอย่างตอนนี้ยิ้มเห็นไหมเห็นร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูเห็นร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูนะแค่แค่รู้สึกไป รู้สึกในร่างกายเนี่ยเรารู้สึกลงปัจจุบันได้เลยกําลังยิ้มอยู่รู้สึกได้เลยไหแต่ดูจิตเนี่ยจะตามหลังนิดนึงมีดีเลย์ไทม์นิดนึงนะค่ะนั่นถูกแล้วล่ะแต่เวลาดูต้องดูด้วยใจที่ตั้งมั่นนะใจะเราต้องไม่ไหลาตามมันไปค่ะส่วนใหญ่มันจะยังไหลาตามไปอยู่ถ้าไหลให้รู้ทันตรับใจที่จิตยังไหลไปอยู่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยในขณะนั้นจะไม่เกิดมรรคผลขึ้นนะนั้นจิตไหลไปเราต้องคอยรู้ทัน 2. 2> ร้อยห้าสิบสองกลนำมัสการหลวงพ่อคะ่ะจะรบกวนหลวงพ่อเมตตาช่วยสอนเพื่อนนะคะใจดีใจดีชสอนเพื่อนดูสภาวะจิตค่ะเดี๋ยหลวงพ่อไม่รวมตัวต้องถามก่อนเพื่อนจี่คนคนเดียวอ่าว่าไปแบบขอสอนเพื่อนหนูมียี่สิบคนละตายเลยกรับนำมรสการนะครับหลวงพ่อครับ <laughs> ถูกบังคับเหรอก็คือ คือประมาณว่าเหมือนบางทีเวลาเราเรารู้สึกอะไรบางทีเราก็ยังควบคุมความรู้สึกตัวเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อครับเราไม่ควบคุมความรู้สึกนะแต่เราควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาเท่านั้นแหละความรู้สึกเนี่ยเราไม่ควบคุมเรารู้ทันพอละเช่นโกรธขึ้นมาเราก็ไม่ควบคุมให้หายโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธแต่โกรธแล้วก็ไม่ด่าใครไม่ตีใครแค่นั้นพอละแล้วแล้ว แล้วถ้าเรารู้เสร็จปุ๊บนี้คือเราก็ต้องนิ่งๆหรือว่ายังไงไม่ใช่ ร, รู้สึกแล้วไม่นิ่งนะรู้สึกมีความสุขนะเบิกบานรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานคไม่ใช่รู้สึกแล้วก็ซื้อบื อ, อยู่ทั้งวันไม่ได้นะครภาวนานแล้วจิตใจมันยิ่งโปร่งโล่งเบารู้เนื้อรู้ตัวนะครับยิ่งภนาวนานไปนานไปนะเห็นมีแต่กองทุกข์เห็นโลกเป็นทุกข์นะกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์แต่จิตใจนะกลับปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นมากขึ้น ยิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไหร่นะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเป็นเรื่องแปลกอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมครับมานะคิดอะไรนะครับจิตนี้ที่คิดใช่ครับคิดตามหลักขอ้อสอนด้วยนะวิธีฝึกกรรมฐานนะต่อไปนี้ถ้าจิตไปคิดรู้รว่าจิตไปคิดไม่ต้องสนใจว่าคิดอะไระนะอย่างนี้งงหน่อยๆน่อยรู้สึกไหม งงก็รู้ว่ากำลังงงเ<ง>นี่ยรู้ความรู้สึกของเราสดๆร้อนๆอย่างนี้นะครับเ <18 9 S 2> บอร์ร้อยแบเุณาครับนี่เพื่อนในใจดีใจดีอุตส่าห์ยกให้นกสัน้อครับเออผมเพิ่มาได้หเดือนนะครับที่ผ่านมาก็ใช้ดูลมหายใจเป็นวิหารธรรม6เดอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นกายกับกับใจแยกกันโอ้ดี เห็นเวทนาคือความปวดแยกกับกายแล้วก็จิตแยกจากกันโอดีทีนี้ความโกรธเวลาความโกรธไว้ไหวขึ้นมาก็จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นสติเนี่ยนะฮะมันตัดตัดทันทีเลยอ่ทีนี้ผมมีปัญหาที่จะถามหลวงพ่อคือว่าเวลาผมขับรถเนี่ยนะครับหรือสดบนสักแป๊บเดียวเนี่ยผมจะเห็นท่อนมือผมเนี่ยมันไม่ใช่มือผมนี่ยถูกมันเป็นทุกครั้งที่ผมสดมนหรือว่าขับรถอ่ ตจิตมันมีสมาธิขึ้นมาพอจิตมันมีสมาธิมันตั้งมั่นนะมันรู้ตออกจากโลกของความคิดพอเห็นลงไปในร่างกายมันไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วเห็นความสุขความทุกข์มันก็ไม่รู้สึกว่าเราสุขเราทุกข์นะเห็นแต่สภาวะครับนะดีสิทีเห็นถูกใช่ไหมครับเห็นถูกทีนี้ผมมีลมหายใจเป็นวิบากธรรมอันนี้ถูกถูกไหมครับถูกหายใจไปนะเรารู้สึกตัว คำว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เนี่ยก็แค่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกอย่างเรารู้ลมหายใจไปแล้วเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่างนี้ดีครับนะหรือหายใจอยู่แล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดคนะลมหายใจเนี่ยเป็นแค่เครื่องสังเกตเนทะ่านั้นจิตมาอยู่ที่ลมก็รู้จิตหนีไปก็รู้นะใช้ได้นะดีนะคือตอนนี้คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะพวกเราที่เรียนนะ อยู่ในขั้นการเดินปัญญาเนี่ยเยอะมากเลยนับไม่ถูกเลยนะไม่ใช่แค่รู้สึกตัวหัดที่แรกหลวงพ่อสอนให้หัดดูจิตดูจิตนะจิตก็สงบจิตก็ตั้งมั่นไม่ไม่เผลอไม่เพ่งสอนที่แรกจะสอนอย่างนี้ไม่เผลอไม่เพ่งนะก็รู้ตัวขึ้นมาพอรู้ตัวขึ้นมาได้แล้วเรามาเดินปัญญามาแยกรูปประธรรมนามาทําแยกธาตุแยกขันตอนนี้พวกเราเรียนมาถึงขั้นที่แยกธาตุแยกขันนีนับจานวนไม่ท้วนเลย ถ้าเราแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุขันไปเรื่อยดูไปดูไปพอจิตหมดแรงก็ทําความสงบเข้ามาให้จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นพอมีแรงแล้วดูธาตุดูขันทํางานต่อไปอีกเนี่ยทำสลับกันไปเรื่อยระหว่างสมถะและวิปัสสนาถึงจุดหนึ่งก็จะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเลยจะต้องได้มรดกได้ผลกันบ้างแหละเพราะตรับใดที่ยังเจริญวิปัสสนาอยู่นะโอกาสที่จะเข้าใจความจริงมันก็มี แต่ถ้าไม่มีการแยกธาตุแยกขันธ์นะรู้ตัวแล้วก็นิ่งว่างอยู่เฉยๆจะไม่เกิดมรรคผลเด็ดขาดเลยจะได้แต่สมถะไปเพ่งจิตแล้วก็ว่างสว่างอยู่กับจิตนะอยู่ข้างในสว่างไม่คิดไม่นึกมีแต่ความสุขล้นๆนอันนี้คือสมถกรรมฐานบางคนเข้าใจผิดว่าดูจิตเป็นวิปัสสนานะไม่ใช่ถ้ามีไม่มีการแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปไม่ใช่วิปัสสนา ถ้าดูกายแล้วก็เพ่งอยู่กับกายดูจิตแล้วก็เพ่งจิตสงบนิ่งสว่างอยู่ที่จิตก็เป็นสมถะเหมือนกันนะแต่ถ้าดูกายแล้วเห็นรูปมันทํางานไปจิตเป็นคนดูรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเ น, นี้ยเดินปัญญาทํามิปัสนาเห็นรูปนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราดูจิตนะก็จะเห็นในจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวโลภหลดลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูหมุนเวียนไปเรื่อย เราก็จะเห็นแต่เกิดดับไม่มีตัวเราเราบังคับไม่ได้นะบางคนบอกว่าหลวงพ่อสอนนี่ทำไมไม่สอนให้ดูจิตตรงๆหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อว่าอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอท่านสอนอย่างนี้นะตอนที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลก็ไม่ได้สอนให้ดูตัวจิตตรงๆหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลบอกสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยง สเภสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนหลวงปู่ดูลดูสัญญาดูสังขารมันทํางานนะพอในที่สุดก็เพิกสัญญาเพิกสังขารออกไปได้ก็เจอตัวจิตแทนทำแท้นะไม่ใช่อยู่ๆจะไปดูตัวจิตตรงๆจะไม่มีให้ดูนะจิตเนี่ยไรรูปรักไรร่องรอยอยู่ๆไปดูมันไม่ได้อาศัยดูผ่านเจตสิกมาสิ่งที่ประกอบสิ่งที่ปรุงจิตนะ อ่าเบอร์20คนสุดท้ายเชิญค่ะกาบการนมมสการอยู่ไหนไม่เห็นาะห่างหลวงพ่อไปหลายเดือนจิตมันแลเหมือนไม่อยากปฏิบัติอะค่ะเหลอแต่แต่ด้วยร์มที่ว่าอดทนอาศัยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างหนูทำงานเป็นแม่ค้าค่ะกระทบแม่ค้าเนี่ยสบายเลยนะภาวนาง่ายเลยกระทบทั้งวันใช่ไหมกระทบอารมณ์เยอะค่ะถ้าขายอยู่แถวไหนล่ะ อ, อยู่ศรีราชาค่ะอ๋อไม่เท่าไหร่ล้วพวกกรุงเทพแม่ค้ากรุงเทพน้สู้กับเทศกิจนะสมัยก่อนโอ้ลำบากนะมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะด้วยหลวงพ่อบางทีก็ลืมแต่บางทีดูเข้าไปแล้วแบบใจมันนิ่งๆเหมือนไม่เห็นอะไร อ, ะอ่ะไม่รับทำงานนะต้องตั้งใจนะไม่ใช่ค้าขายก็สักแต่ว่าขายอย่างนี้ไม่ได้นะเงินหายหมดเนละ ต้องคอยรู้สึกตัวไว้เอาแล้วจะหยิบของนะรู้สึกรู้สึกไม่ได้วางแล้วก็ลืมไปอย่างนั้นขาดสตินะต้องคอยรู้สึกตัวรู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรตอนนี้มีหน้าที่ขายของตั้งใจขายของเห็นลูกค้ามาดีใจรู้ว่าดีใจนะไม่มีลูกค้าเลยใจแห้งเลยรู้ว่าใจแห้งลูกค้ามาเยอะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยชักหงุดหงิดแล้วรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะแต่พอมาหาหลวงพ่อแล้วจิตใจมัน แลม้มีความสุขค่ะอืเหมือนกับมันอยากจะเดินต่อไปอ่ะแล้วตอนนี้หนูเดินทางผิดไหมคะเดินไม่ผิดหรอกถ้าหนูเดิน <c oughs> ถ้าหนูไม่เดิน <c oughs> เราเลยไปวันๆจะผิดแน่นอนเลยนะขยันดูนะที่ฝึกอยู่ตอนนี้ยดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะรู้สึกไหมโลกมันห่างๆออกไปะแต่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะนนั่นแหละลูกน้องก็ไม่ค่อยเอ็ดอแล้วก็ลูกก็ตีไม่เป็น ถึงคราวจําเป็นต้องเอ็ดนะก็เอ็ดนะถึงคราวจําเป็นต้องตี <t imes> ก็ตีไม่ได้ทําด้วยโทสะพ่อพ่อพมงทีเห็นแล้วมันขาดมันเอ็ดไม่ออกอ่ะนะสมควรจะสอนก็ต้องสอนนะแต่ไม่ใช่เอ็ดส่งเด่นสมควรจะสอนว่าทาอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องสอนนะเป็นหัวหน้าเขาแล้วก็ไม่สอนลูกน้องเนี่ยไม่ถูกทําผิดหน้าที่เป็นพอ่อเป็นแม่ไม่สอนลูกเนี่ย altura, ไม่ถูกนะผิดหน้าที่นะไปฝึกนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะอย่าขี้เกียจ เ, เชิญกลับบ้านขอให้แคล้วคลาดอันตรายนะ